นักมตัตตะวะตูอรักตูสามัคคีตัตตานักมตัตตะวะตูอรักตาััตตานักมตัตตามะวะตูอรักต สามาตคีสุดอาทรสามัคคีสามัคคีกันนังตโอสุโส้ดี <c oughs> วันนี้เป็นดมมงคลของท่นานพุทธศาสนี้กชนทั้งหลาย อีเดินมาชมความสำเร็จของตนแต่ละท่านละท่านอีต่างได้มีจิตธาบริจาคเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ดูเจดีทอันเป็นองค์แทนของท่านราชามัน่นได้สำเร็จพื้นล่วงลงไปแล้วด้วยความสวัสดีาจกษากจากก็ศัตดิ์อันตรายใดๆทั้งสิ้น เราได้เห็นกระจักตาประจั์ใจในวันนี้โดยทั่วกันความมุ่งหมายอันสำคัญที่เราสร้างเจดีย์นี้นั้นก็เพื่อวางรากฐานอันสำคัญไว้ได้แก่ท่าน อ, อาจารย์ท่าน เป็นองเชิญพระอาจารย์ทั้งพันองค์หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นหรือลูกศิษย์รัตถรรากรพูดเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่ด้อยในทางพุทธการโดยถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นเคื่องยืนยัในปฏิปทาของท่านที่ได้ดําเนินมาตั้งแต่ต้นจนปลายสาร พูดถึงเรื่องการทำประโยชน์อ่นเป็นผู้ทำได้มากที่สุดเพราะความเมตตาของขั้นกว้างขวาง ม, ม, มากมายอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ประชาชนเข้าไปพึ่งพาใสาขออัดขอทำขอความร่วมเย็นแก่ท่านไม่มีบ้างเว้นแม้แต่เวลาท่านป่วยฉะนั้นการทำประโยชน์ให้โลกด้วยความเมตตา ก่อนนับว่าท่านพงหนึ่งในสมัยปัจจุบันมีการทำประโยชน์ได้มากพงหนึ่งหาได้ยากการที่จะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้มากน้อยนั้นหลักใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตัวประธานคือตนเองดังพระพุทธเจ้าของเราทำประโยชน์ให้โลกได้ทั้งสามโลก ไม่มีใครเสมอเหมือนและไม่มีใครสามารถทำได้อย่างพระองค์ด้วยตถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูทั้งมนุษย์และเทวดาซึ่งเป็นสิ่งลึกลับในสายตาของสามันม่นกนทั่วไปแต่เป็นสิ่งที่เปิดเผยสาหรับองศาสดาผู้รู้แจ้งแทนทะลุเป็นโล ก, กมีครูโดยสมบูรณ์แล้ว ในทรงสั่งสอนทั้งตัวเ ท, ทพชาตรายภบทั้งหลายไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นการสั่งสอนโลกทั้งสามนี้จะเป็นภาระหนักขนาดไหนไม่มีใครเกินตรัสดาถ้าพูดถึงเรื่องความรู้ความฉลาดสามาร ถ, าารถอันแหลมคงยิ่งก็ไม่มีใครเกินตรัสดาจึงสามารถเป็นครูสอนโลกทั้งสามได้ พระองค์เป็นผู้หนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่โลกพเพราะความเฉนเยะฉลาดเพราะความเพียงพอแล้วในพระไทยแต่ก่อนท่านก็เป็นสามัญช น, นเช่นเดียว ก, กันกับมนุษย์มนาทั้งหลายนั่นแหละแต่พระองค์ได้อุตสาห์พยายามทุ่มเททัศน์จิตกำลังความสามารถทุกได้ทุกทางแม้สิ่งที่รักส้งวนมากมาเชียงเลยราวกับว่าตัด พวกก็ทายออกพระองค์ก็ยอมเสียสลับเช่นสนามร่าจะสม บ, ตบัติบริษัทบริวารใกล้ฟ้าไปคาชีซึ่งแต่ละอย่างละอย่างแต่ละท่านแต่ละลายมีคุณค่ามากขนาดไหนเป็นที่รักที่โหนงขนาดไหนพระองค์ยังทรงเสียสลาดได้เฉพา อ, อย่างยิ่งพระชายากับพระราชโอรสของอตนไทยมีความสามารถ ทำได้อย่างนั้นถึงขนาดเป็นกษัตริย์ยังสามารถทำได้ด้วยความมุ่งหวังอันแรงกล้าที่จะทำประโยชน์แก่พระองค์โดยข้าวนูนแล้วเป็นครูของสัตร์โลกทั้งหลายให้เต็มภูมิของความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละด้วยเหตุนี้จึงต้องทรงเสียทนาน ความทุกข์ความลำบากทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจา้าการเสียสละลงไปแล้วไม่ใช่จะเป็นความสุขความห่วงใยปัวพันยังต้องมีเพราะมีสิ่งที่จะทำให้เกิดความห่วงใยปัวพันอยู่ภายในสกายได้แก่กิเลสตัวหึงหวงตัวไม่มองดูหน้าใครนอกจากค้นกวนก้วนเข้ามาเพื่อตัวเองเท่านั้น กิเลสจึงเป็นตัวผู้เห็นแก่ตัวมากที่สุดไม่ยอมเห็นแก่ผู้อื่นผู้ใดส่วนธรรมนั้นมองทั้งทางนอกมองทั้งทางในรอบคิดรอบคาดให้ความเสมอภาคแก่ตัดโล ก, กทั่วไปส่วนกิเลสนั้นเห็นแก่ตัวตัวดิบตัวดีตัวมั่งมีสีสุขมีความส ะ, สะดวกสบายเท่าไร่เป็นที่พอใจแม้จะเหยียบย่ําทําลายหัวใจของสัตว์ของโล ก, กทั่วไปเพียงไรกิเลสไม่คื ไม่เคยคำหนึง่งเนี่ยพระองค์พระพุทธท่าน้าหเรือตอนที่ท่านเป็นทศทศฐาราชกุ ม, มารทรงป่าปันอุปสรรครอบกับมารคือกฤฤิเรศสมารตัวนี้อย่างรุนแรงถึงขนาดสลบไปถึงสามครั้งแล้วพื้นขึ้นกลับคืนมาเมื่อสลบไปสามครั้งรวมแล้วคนเราเมื่อไม่ได้มีความทุกข์ ความลำบากถึงขนาดสลบจะสลบได้อย่างไรนอกจากความสลบเป็นธรธ ร, รมดาของธาตุของขันของคนขี้เกียด อ, อ่อนแอสลบลงไปหมอนเท่านั้นส่วนสลบเพราะการต่อสู้นี่ไม่มีใครใครเป็นศาสดาดนี่เราะความทุกข์ความลำบากของศาสตราดาพวกเราทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้เน้ติดคุกกิดตารางทั้งเป็นอยู่นั่นเป็นเวลาหกปี เมื่อได้ต่อสู้กับยิเรสมานซึ่งเป็นเสนาใหญ่เป็นบร ม, มจั ก, กรพรรดิของไครพบได้จิ้นสุดลงไปด้วยการแพ้พระพุทธเจ้าอย่างราบภาบแล้วจึงได้เป็นศาสดาขึ้นมาธทรรมที่เคยเหัวแห้งภายในพระไทยธรรมาธรรมนั้นหมายถึงที่สุดที่ธรรมวิมุตติธรรม ตอนนั้นยังเหือดแห้งในพระไทยมีแต่ทำมพระเภทอือ่นซึ่งยังไม่ได้ลากได้ฐานได้หลักได้เกนสาคัญขึ้นมาครองเลยพระองค์สามารถครองธรมที่เป็นลากเป็นฐานเป็นแก่นสาคัญให้ถึงความาเป็นาศาสตาได้ชีวิตสุขิธรรมมาครองอย่างพอประทัดเมื่อมหาสมบัติได้เต็มพระไทยแล้วนั่นและเต็ม ได้นํามหาสมบัตินั้นออกแจกจ่ายแก่บรรดาศักดิ์ทั้งหลายทั่วโลกกับดินแดนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วนับแต่วันพระองค์ปรินิพานทำเหล่านั้นยังไม่ได้สิ้นสูญไปจากโลกยังปร ะ, ประกาศกลางวันอยู่ตามตําหลับตําลักตามท่านผู้อบรมปฏิบัติทั้งหลายท่านเมื่อมี สมบัติมากแล้วย่อมแ ก, ก่ายได้มากพระองค์จึงทําประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมานีย้อนเข้ามาถึงครูบาจารย์สมัยปัจจุบันนี้ดังท่านอาจารย์ท่นานหากท่านมนมีคุณงามความดีดังกล่าวเหล่านี้ท่านจะอะไรมาทําประโยชน์ให้โลกคนเรามีหูมีตามีจิตมีใจย่อมดูย่อมฟังย่อมคิดอ่านใจจองเมื่อไม่สมควร เ, เชื่อก็เชื่อกันไม่หลง เงื่อมควรเชื่อแล้วต้องเชื่อเพราะต่างคนต่างสแสวงหาความจริงรอยู่แล้วนี่ท่านก็สแสดงออกมาจากจากความจริงการประพฤติปฏิบัติที่เราจะมองเห็นด้วยตาท่านก็ปฏิบัติจริงให้เห็นได้อย่างชัดเจนการจะฟังด้วยหูท่านก็สแสดงอัดแสดงทำเต็ไมไปด้วยเหตุผลเป็นที่น่าเเรื่องสายทราบซึ้งถึงจิตใจเราจึงเขาเรบเขาลงเรื่องสต่อท่านนี่ท่าน เพราะความบริสุทธใจของท่านทําประโยชน์แก่โลกเพื่อความเมตตานี่อันหนึ่งที่เป็นสัาพันธ์ของท่านเมื่อท่านร่วงไปแล้วก็าล่วงแต่สังขารร่างกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมคุณสมบัติที่มีอยู่กับท่านไม่ได้ล่วงโรยไปตามร่างกายนั้นเลยดังที่เราทั้งหลายได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าพุทธัทงทำมังสังขงารสังฉามิเป็นต้น พระพุทธเจ้าถ้าปริพานธ์ไปแล้วไม่มีอะไรเสรียอะไรเหลือแล้วคาว่าพุทธทางท่านังทังถามนเราถึงหาอะไรถึงลมถึงแล้งอย่างนั้นเหรือเธอเราถึงธรรมเราถึงพุทธเราถึงสงอันนี้ไม่ใช่ลมไม่ใช่แ้งไม่ไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่แร่ธาตต่างๆไม่ใช่ในน้ำไม่ใช่บนบกแต่เป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงเป็น พิเศษอันหนึ่งจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งมีอยู่ประจำโลกมาตั้งแต่กลางไหนๆ <c oughs> เรากราบว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสูงฆ์เป็นธรรมองค์เอกนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการกราบไหว้บูชาของเราจึงเต็มไปด้วยความหมายที่ถูกต้องตามหลักความจริงแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่สมเราเป็นรูปรกิตติคุณก็ถือแพรมีเราทั้งหลายได้ตามท่านตามบริจาคทา น, ทา น, ทาน เพื่อสร้างอนุสาวรีย์คือเจดีย์อันเป็นที่สถิตของอัฐิขึ้นเทียบกับองค์ของท่านองค์แทนท่านไว้ในที่นั้นเพื่อจะได้กราบไหว้บูชาเป็นขวาญตาขวาญใจแก่ชาพูุทั้งหลายตลอดคุณระบุดถูกท้ายายหลังเป็นหลายร้อยหลายพันปีนับมากระโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากการกราบไหาบูชานั้นเป็นประโยชน์มหาศาลแจกขาวทุกทั้งหลายไม่น้อยตัวเหตุนี้ที่ชาเราทั้งหลายได้มีศรัทธามากน้อยตามกำลังของตนร่วมเป็นความสามัคคีซึ่งกันและกันจนกระทั่งเจดีนีส้สาเร็จลงไปด้วยความราบรื่นดีงามและสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอนานาจแอมกุศลทั้งมวล น, นี้ จึงเป็นสมบัติของเราแต่ละท่านละท่านและนอกจากนั้นผู้ที่มาคารพกรา บ, บ่าบูชาท่านมากน้อยเพียงไรผลบุญผลกุศลที่เกิดจากการกราบบูาชาของท่านเหล่านั้นก็เป็นสมบัติของท่านเหล่านั้นด้วยยังแผ่กระจายมาถึงเราผู้เป็นต้นเหตุที่สร้างเจดีย์อันเป็นนูสาวัยนี้อีกด้วยกุศลเรามันมีสิ้นสุดยุติลงเลิก เป็นคุณงามความดีประจใจของเราทั้งนี้เป็นเพราะความพร้อมเตียงสามัคคีดังได้กล่าวไว้แล้วเบื้อนตก น, นั้นว่าสามัคคีสามัคคาังกโปสุโผความพร้อมเตียงสามัคคีนั้นนั่นแหละเป็นเครื่องแทดเผาความขัดข้องยุ่งเหยิงทั้งหลายให้ลุกลุวงไปกล้ายเป็นความสุขความชั้นเดจขึ้นมาอย่างภูมิใจดังที่เราทั้งหลายได้เห็นแล้วนี้ เพราะฉะนั้นความสามัคคีจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากแม้ที่สุดแต่ร่างกายของเราหากว่าส่วนใดส่วนหนึ่งได้บกพ่องขาดความเป็นปกติไปเสียไม่เรียกว่าร่างกายนั้นสามัคคีเรียกว่าร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นแตกสามัคคีกันนี้ยเป็นโรคไตไตเจ็บเจ็บท้องปวดหัวต่างๆอย่านี้ รวมแล้วตั้งแต่ร่างกายยุติมีการขาดความปกติขาดความสามัคคีกันส่วนภายนอกก็เหมือนกันอันใดถ้าขาดความสามัคคีแล้วจะสาเร็จผลประโยชน์ไม่ได้เราปลูก บ, บ้านปลูเกเรือนก็รวมทัพปรสัมภระมาจนเป็นที่เพียงพอแล้วจึงสาเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาได้คนแต่ละคนก็เหมือนกันชาติแต่ละตัวก็เหมือนกันหาว่าขาด อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะทําความสมบูรณ์ขึ้นแก่สัตว์และบุคคลนั้นนั้นแล้วคนนั้นก็เรียกว่าควานวิการสัตว์วิการไม่สมบูรณ์แบบเลยด้วยเหตุนี้ความสมัคคีจึงเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญมากรวมเข้ามาสู่กีดใจใจถ้ามีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายโดยถ่าเดียวแล้วอยู่โลกไหนก็มีแต่โลกร้อนเพราะร้อนที่จิตใจไม่ใช่ร้อนที่ไหนดินฟ้าอากาศมีเป็นธรรมดาของ ของเขาแต่ถ้าจิตใจของเราไปไม่ไปเกี่ยวความวุ่นวายกับสิ่งนั้นก็จะเกิดความร้อนมากความทุกข์มากเหมือนพายใจิตใจของเราเกิดความเดือดร้อนและส่ำระสา ย, สายอันนี้เป็นไปอันสาคัญพระพุทธเจ้าทันยึงสอนให้อบรมจิตใจอมีความสงบเย็นตามธรรมนาของใจมีแต่ความคิดความภู้มความยุ่งเหยิ ง, ยงหุ่นวายตายแต่อยู่งั้นตลอดเวลา น, น, นี่คือโรงงานของจิต โรงงานของจิตมีอะไรเป็นเจ้าของจึงต้องเนตทำงานตลอดมาไม่รู้จักยับยัง้งไม่รู้จักพักงานบ้างเลยงานราษงานหลวงงานที่ไหนยังมีการพักพ่อนดอนตัวมีวันเสาร์วันจิตีวันพระวันโสดแต่งานทางด้านจิตใจนี้ทำไมจึงไม่มีมีแต่คิดแต่ปุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่สับสนปนเปกันไม่ ได้สนใจคิดเลยว่านี้เป็นของเก่าเคยคิดมาแล้วเบื่อพอแล้วไม่ต้องคิดอีกไม่เคยมีมีแต่ติดแต่พันกันยุ่งไปไม่ว่าเก่าว่าใหมา่เหมือนตามรูตามรอยโคในครอกนั้นแหละวุ่นไปหมดเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจจึงเพื่อจะตระรอใจความคิดความตรุงของตนที่ก่อควรมุ่นวายให้เกิดความทุกข์ความักนั้นเข้าสู่ความสงบแล้วเย็น ใจถ้าสงบแล้วก็มีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าไม่มีความสงบเลยจะอยู่โลกไหนก็คือโลกแห่งกองเกืนกองไฟเขารดนจิตใจอยู่อย่างนั้นตลอดไปตลอดอนันตการอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะฝึกฝนอบรมจิต ใ, ใจให้มีความสงบเยอืกอกเย็นเช่นท่านสอนให้กําหนดภาวนาพุโทโธธรมโมสังโฆคนใดก็ตามเช่นอนาคานัสสิสเป็นตน้นพยายาม ตั้งจิตตั้งใจของตนมีสติประกอบกับงานของตนประจำงานของตนให้จิตได้รับความสงบเยือกเย็นใจเมื่อมีมเจ้าของคือสติเป็นเครื่องรักษาปัญญาเป็นเครื่องกรวจสอบดูเหตุผลดีชั่วประการต่างๆแล้วย่อมจะอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นได้เมื่อใจมีความสมบุบสงบเย็นในขณะใดขณะนั้นเรียกว่าจิตผ่อน ง, งานเรียกว่าจิตพักงานเรียกว่าจิต หุดก่อไฟเผาตัวถ้าคิดได้คิดเสียหายก็ยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาพายในจิตใจเหมือนกับ ก, ก, ก่อไฟเผาตัวนั่นแหละการทําอบรมจิตใจของเราให้สงบนี้จึงเป็นการระงับดับไฟไ ป, ไปโดยลําดับลําดับเยิ่งจิตมีความสงบมากเพียงไรเยิ่งจะเห็นสาระสําคัญของจิตและเห็นโทษแห่งความวุ่นวายของจิตแห่งความต่อบัวของจิตมากขึ้นเปนเทียงนาน การที่ <c oughs> เห็นโทษแหงความบุนวายของกิจมากเพียงไรย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบผิดพลาดจำนำนี่แหละเป็นเหตุให้มีความขมขมแน่นแ็ะมีความรับเพียมีความหดทนต่อการรักษาจิตใจเพื่อมีความสงบาาเพื่อกเย็นไปเป็นเวลานา น, นและมีรากฐานมั่นคงขึ้นภายในจิตใจเมื่อใจมีรากฐานมั่นคงขึ้นภายในในตนได้แก่สมาธิธรรม เป็นตับแล้วจะคิดอ่านใจตองอะไรก็พอคิดพออ่านคนเราเพราะจิตใจอิ่มตัวไม่หิวโหนหวยโกะนกยกับอารมณ์ต่างๆถ้าคิดอ่านใจตองทางด้านปัญญาทิจนาเรื่องร่รักมีจังทุกข์ขั้นต่าทั่วโลกปธาดนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติ รายลักษอยู่แล้วนั้นให้เห็นตามความจริงไปได้โดยลำดับลำดับของสติปัญญาที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนโดยด้วยดีแล้วนี่ลหละท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้ด้วยการภาวนาอย่างนี้ดังพระพุทธเจ้าของเราตอนที่จะได้มาเ็นาสาตตดาสอนโลกและได้ตรัสรูธ้ธรรมก็ทรงอบรมภาวนามีอนาปานสติเป็นสาคัญสาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น ใจย่อมเป็นสิ่งที่ปลูกได้ทรมานได้ถ้าปลูกไม่ได้ศาสดาไม่สอนให้ให้ปลูกและศา ส, สดาก็เป็นศาสาดาขึ้นมาไม่ได้นี่เป็นของปลูกได้ใจเป็นของไม่ตายนี่เป็นหลักความกิ น, นลบไม่สูในใครจะเอาอะไรมาลบก็ไม่สูนว่าตายแล้วสูงนั้นเป็นแต่เรื่องคนมายาของกิเลสที่แสดงออกมาด้วยความมืดบอดปิด จิต ใ, ใจของสัตว์โลกที่เคยเป็นมาแล้วให้ลงลืมไปเสียให้ไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ตนเป็นมาและเคยเป็นมานั้นเสียเมื่อไม่มีอะไรปรากฏภาไรอีกแล้วก็แสดงออกมาว่าตายแล้วศูงหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันศูนย์จริงๆแล้วเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสัตว์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรต้นไม้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรบุคคลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร การเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสิ่งที่มีอยู่เป็นเครื่องผสมผสานกันขึ้นมาเช่นธาตุ4ดินน้ำลมไฟของเรามารวมผสมกันแล้วมีใจเป็นตัวสำคัญเข้าจับจองเป็นเจ้าของแล้วก็เรียกว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี่แต่เรามองเห็นเฉพาะรูปกายนี้เท่านั้น ส่วนใจเป็นของละเอียดรู้ๆอยู่ภานในกิจใจเรามองไม่เห็นตาแล้วก็เข้าใจว่าความรู้นี้จะดับไปหนึ่งทั้งๆ ท, ที่ความรู้นี้ไม่เคยดับนี่แหละและใครเป็นผู้รู้หลักธรรมชาติอันนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวในเริ่มแรกเท่านั้นพระองค์ไม่ทรงรู้ทรงเห็นค้นคว้าจิตใจระหว่างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจคืออะไร ท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าอวิชาปัจิยาสร้างผาราสร้างผาราปัจิยาบิญญาณันเป็นต้นสิ่งที่จะพาให้สัตว์เกิดสัตว์ายไม่มีหยุดหย่อนผ่อนตัวเลยนั้นเพราะธรรมชาติอันนี้ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี่แหละคือเชื้อแห่งความเกิดเชื้ออันนี้แพร่กระจายออกไปถึงไหนก็ทำความทุกข์ให้แกตว์โลกถึงนั้น ถ้าหมดเชื้อนี้แล้วจิตจะไม่เกิดแต่ไม่ตายถ้าจริงขุดค้นตรงตรงนี้แล้วรู้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในพระไตรปิฎกเตรมนำธรรมเหล่านี้มาสอบโลกเราถึงจะไม่จับสนิทในกองทุกข์ทั้งหลายได้พอตามขอให้เป็นผู้มีความกลับไฝในอัตในธรรมคุงงามธรรมดีมีสิีนทานภาวนาเป็นต้นเถอะ แต่เกิดในภพใดชาติใดย่อมจะมีบุญมีกุศลเป็นเครื่งงร อ, องหล่อเลี้ยงจิตใจในมีความสุดความสบายในภพชาตินั้นๆเมื่อบุญกุศลมีมากล้มูลเต็มที่แล้วทำมาหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายย่อมจะเป็นสมบัติของเราโดยไม่ต้องนนลองหดัหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่นานหลักไว้ว่าว่าขาแต่ทกไม่ชอบแล้ว ไม่มีคําว่าผิดว่าเพีย้ยนไม่มีการไม่มีสมัยเป็นสิ่งที่ถูกต้องดงามอย่างนั้นตลอดมาส่วนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นตามเรื่องของโลกของธาตุของขันธ์ของดินฟ้าอากาและสิ่งที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปอีกประเภทหนึ่งเช่นว่าทำอีกนิดเป็นสิ่งที่ไม่ตานยก็ ค, คือธรรมาชาต ที่กล่าวเบื้องต้นนั้นว่าอวิชชาปัิญานั่นแหละมันเป็นผู่ปิดบางเสียสิน้นไม่ทราบความเป็นมาของตนและความเป็นไปของตนแม้ปัจจุบันก็ไม่ทราบนี่ต่างหาเราจึงเชื่อมันเมื่อเชื่อมันแล้วก็แสดงออกมาว่าตายแล้วสูนถ้าว่ามันศูนแล้วจริงๆแล้วเราทั้งหลาที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพียงเท่านี้ก็พอที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่าถ้าตายถึงทจริงๆแล้วก็ไม่มีใครเกิดขึ้นมาหนา้เพราะมันสูงอะไรพัาให้ตกเราไม่รู้ด้วยเหตุนี้จึงมีการปฏิบัติเท่านานที่จะสามารถปุค้ลลงถึงต้นต่อของเชื้อทั้งหลายให้ได้เข้าใจและปล่อยวางไปได้สลับผัดทิ้งจากปิดใจไปโดยลำหนัก ลำดับลำนาตามขัน้นยากขั้นกลางขันข้ น, ข น, ข น, ขนละเอียดของสิ่งแสรซึมอย่างนี้สุดท้ายกิเลกคาระซึ่งเป็นเครื่องฟังอยู่ภายในจิตใจที่เรียกว่าเชื้อนั้นก็ดับสนิทลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนนั่นแหละคือจิตแอะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วนั่นแหละเป็นผู้ไม่เกิดแต่และเป็นผู้ไม่ตาย พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วพระจิตของพระองค์ก็เป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ทำพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละทาประโยชน์ให้โลกสงสารจนกระทั่งปรินิพพานเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานทรงเข้าปฐมฌานทุกปิยฌานที่เรียกว่ารูปฌานแล้วก้าเข้าสู่อรูปฌานสี่ คืออาการสารเนปัญญาชนักญานันจายนักอจิจิญญาลิชนะเนทัญญานาทัญญาลิชนะแล้วกล้าเข้าสู่สัญญาเวทที่ตัณนิโรธดับสัญญาในเวุชนะพระสงฆ์ทั้งหลายที่เฝ้าพระองค์อยู่เวลานั้นมีความสงสัยจึงถามพระอนุท่าว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าปริทันแล้วหรือพระุท่าก็ตอบทันที เพราะท่านเป็นผู้ทำนานในพระจิตตวิชานี้มาโดยสบูรณแล้วบอกว่ายังเวลานี้พระองค์กาลังประทับอยู่ในสัญญาเวทัยตนิโรคนะนี่คือพระจิตที่บริสุเมื่อก้าวเข้าสู่ปฐมทานซึ่งเป็นสมมติท่าทึงกันได้ก็บอกกันได้พูดกันได้ว่าเวลานี้พระจิตของพระพุทธเจ้ากํำลัง ได้วดเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานสติยฌานญาตุตฌานอันเป็นรูปฌานสี่แล้วก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่เป็นลาดับๆเจ้ามาตั้งตรงถอยกลับลงมาพาระอุทะก็บอกโดยลา ด, ด, ดับับอกได้โดยลาดับถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั้นแลเป็นผู้ก้าวเข้าสู่ฌานขั้นนั้นขั้นนี้แล้วสูญไปไหนเราพิจารณาตรงเอ้หากว่าพระจิต นั้นศูนแล้วอะไรเป็นผู้ก้าวเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานและสัญญาเวทายิตริโรดเจ้าประเเสด็จย้อนกลับลงมาถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดานี่อยู่ในวงสมมติคือฌานสี่รูปฌานสี่และอรูปฌานสี่ทั้งสัญญาเวทายิตริโรษไปผสมมุต ถ้าจิตเมื่อก้าวเข้าตามสมมติโดยลำดับลำดาก็พูดได้ว่าเวลานี้ไปถึงนั้นถึงนั้นถึงนั้นพอก้าออกจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วกล่าวได้แต่เพียงว่าแบบ น, นี้ไปรีผ่านแล้วนั่นเพราะไม่มีสม ม, มติเขาพล <c oughs> าขผิดจึงพูดอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่พูดไม่ได้นั้นไม่ได้หมายถึงว่าได้สูงไป นี่แหละความบริสุธิ์มรรคธาตุเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไม่เข้าสู่พบใดชาติใดอีกต่อไปท่านเรียกว่านิพพานนางปรามังสุขขันธ์ท่า น, นิพพานเป็นสุขอย่างยิงย่งก็ขึ้นลมหมายเขามาสุขเลยสมมูลสุขนอกสมมุติไม่ได้สุขอยู่ในแบบสมมุติดังกิจทั้งหลายด้วยเหตุนี้แม้จะอยู่ในขันธ์ก็ตามกิจที่บริสุทธิ์จนว้นแล้วนั้น เวทนาใดจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องรุ่นว่าท่านไม่สเสวยทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเปกขาเวทนาเหมือนจิตสามัญชนทั่วไปแต่ท่านเป็นบรมสุขโดยหลักธรรมชาติแห่งความมือของท่านประหารคาว่านิพพานังปรมังสุขขังนั้นหมายถึงสุขที่เป็นหลักธรรมชาติซึ่งมีอยู่กับ กิจที่บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นนั่นไม่เรียกว่าเวทนาเพราะเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นภาเวทนาปเป็นสมมุติจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจตบิ ม, มุติได้อย่างไรด้วยเหตุ น, นี้พระคินาศกเจ้าท่านอยู่ในอินเดีาบทใดก็ตามนับแต่ขณะที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนั้นระหว่าง เวทนาทั้งสากับกจิตที่บริสุทธินั้นจึงไม่ประสานกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นบาแม้ทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยภายในขันก็ทราบว่าเกิดขึ้นรับทราบว่าเกิดขึ้นแต่ไม่ยึดไม่ถือไม่ถึงข้าโดยเป็นหลักธรรมชาติของจิตประเภทนั้นเองไม่ได้บังคับบัญชาว่าอย่าเข้ามายุ่งหรือบังคับบัญชาทุกเวทนาที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วให้ออกไปไม่มี นั่นท่านบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นรู้ในธาตในรู้อยู่ภายใ จ, จิตใจที่บริสุทธิ์โดยหลาาักธรรมะนี่แหละการทำรักอีกมเมื่อทําให้ถึงขีดถึงแดนแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงพระชนอยู่นี้ก็ตามหรือพระสงฆ์สาวกจะมีจํานวนมากน้อยอย่างไรก็ตามท่านผู้ใดที่บรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์ีิมุติด้วยกันแล้วจะไม่ถามกันเพราะสรรทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาน มอบไว้กับผู้ปฏิบัติโดยทั่วหน้ากันมีสิทธิที่จะปฏิบัติได้ด้วยมีสิทธิที่จะรู้จะเห็นทาตามกำลังมังกนโดยลำดับ <tr uth> จนมาะทั่งถึงสุดยอดแห่งธรรมได้ด้วยเมือนกันหมดธรรมประเภทนี้ไม่ไม่แค่ธรรมที่จะให้เกิดความสงสัยแก่ ผ, ผู้ผูู้ผู้เข้าถึงเพราะมีอันเดียว เหมือนกันหมดนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงชาวบกคงสุดท้ายไม่ปรากฏว่าทำเหล่านี้ได้ยิ่งหย่อนคือโดยที่สุดที่ทำมีความเสมอกันเหมือนกันด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจะปริพานธ์ไปนานเท่าไหรก็าตามเมื่อได้เข้าถึงแดนแห่งธรรมประเภทนี้แล้วจะไม่สงสัยพระพุทธเจ้ากี่ร้อยกี่พันกี่ล้านองค์ยอมรับความจริงนี้ทั้งนั้นสวาวกที่จํานวนเท่าไรก็เท่นเดียวกัน เมื่อเป็นคนนั้นจะสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ว่ามีหรือไม่มีได้อย่างล่ะเมื่อไม่สงสัยจิตที่บริสุทธิ์ของตนแเองเท่านั้นก็เป็นอันว่าทราบไปหมดเพราะเป็นเหมือนกันเป็นสักขีพยานกันได้วันนั้นฉันใดนี้ก็ฉันนั้นนี้ฉันใดนั้นก็ฉันนั้นนี่แหละคําว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์มีแต่อาการที่ท่านพูดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์นั้นท่านพูดตามอาการอัสมมติเมื่อเข้าถึงธรรมมันแท้จริงแล้ว เป็นธรรมแท่งเดียวหรือว่าธรรมมีอยู่ในโลกเท่านั้นนี่แหละคุณผานพระพุทธเจ้าพระธรรมสมมีอยู่ในหลักธรรมชาติที่บรรพูดนี้เท่านั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นใดและไม่มีอยู่ที่ดินที่น้ําที่ลมที่ไฟเพราะฉะนั้นการสัมผัสสัมพันธ์ธรรมจึงไม่มีสิ่งใดจะสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้ให้เห็นอย่างชัดเจนได้เหมือนกันตาก็เป็นวิสัยของกับรูปไปเสีย หูเป็นนิสัยกับเสียงเสียงเป็นนิสัยกับหูเป็นเสียงจมูกปีนกายเป็นนิสัยกับรูปเสียงหรือเครื่องสัมผัสแต่ไม่ใช่เป็นนิสัยที่จะทราบจะรู้จะเห็นทำมีใจเท่านั้นเป็นผู้สถ า, ารมากทำจะมีอยู่มากน้อยถอยึงไหนจะสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมแต่ผู้ไมป่ปฏิบัตินั้นจะหาทางสัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้เช่นเดียวกับอาหารจะมีรสอเด็ดอร่อยขนาดไหนก็ตามท่าม ไม่ได้รับทานไม่ได้สัมผัสลิ้นของผู้ใดแล้วผู้นั้นย่อมทราบไม่ได้แม้สิ่งเหล่า น, นั้นจะมีอยู่ก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันเราเมื่อได้เข้าสัมผัสเมื่อไรก็ทราบตามสิ่งที่มีอยู่นั้นๆนี่นนจิตใจก็เหมือนกันเริ่มตั้งแต่สมาธิทำขึ้นไปถึงปัญญาทงวิมุตติรมจะนอกเหนือไปจา ก, กจิตอันเป็นของผู้ควรกันกันกบธรรมนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้ารู้ธรรมรู้ที่จิต หลุดพ้นกิเลสหลุดพ้นที่จิตเพราะกิเลสอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ไหนต้นไม้ภูเขาดินผ้าอากาศกิเลสไม่อยู่ไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสไม่ใช่สถานที่อยู่แห่งกองทุกกองทุกทั้งมวลอยู่ที่ธาตุที่ขันอยู่ที่จิตใจถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วกองทุกทั้งมวลก็มีอยู่เพียงธาตุขันถ้าจิตยังมาไม่บริสุทธิ์กองทุกก็มีอยู่ทั้ ง, ท, งทางธาตุขันด้วยทั้งจิตใจด้วยด้วยเหตุนี้จึง ตั้งแ่พิจิตพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจิงตามตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จะไม่เป็น อ, อื่นเลยจะต้องรู้เห็นเป็นอย่างนี้แน่นตามกําลังความสามารถของผูป้ปฏิบัติข้ามาสบคาโตมกวตาตาธรรมโมนั้นชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการตรัสไว้ของพระพุทธเาเพราะทรงรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยตรัสไว้ไม่จะตรัสไว้แบบโด้นเดาเกาหมาัดพูดตามหลักความจิงเป็นคําพูดของศาสนา ไม่ใช่คาพูดของคนโง่เขาวบอปัญญาเราจริงได้ถือว่าพุทธังส่นนางทศามนอย่างถึงจกักเพราะไม่มีคําพูดผูด้ใดในโลกนี้จะถูกต้องแน่นยํายิ่งกว่าคําพูดของศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วด้วยปรีชายาณความสามารถของพรองค์เองโดยทรานามว่าโลกมีถูกรู้แจ้งเห็นจริงทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งที่จะลี้รับในพระยามของข้าองค์หนึจากสุยานก็มี ทิพโสดก็หนึ่งพวกเรามันมีแต่ใจธรรมนาเมื่อสิ่งใดที่ผูกพิสัยของใจนี่แล้วก็ปฏิเสธไปเสียหรือไม่เห็นนอกจากไม่เห็นแล้วยังปฏิเสธหรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งใดที่ถูกพิสัยของหูนี่ไปเสียก็ว่าเสียงนั้นไม่มียพระพุทธเจ้ายังไม่เทียงเท่านั้นตาเนื้อไม่เห็นตาจักุญาณเห็นหูเนื้อไม่เห็นหูทิพย์ก็เห็นอย่างทราบประจําสิ่งที่มีอยู่พระองค์จึง ให้ความสมบรภาพแก่สิ่งมีอยู่ทั่วทั่วไปไม่ทรงลบล้างไม่ปฏิเสธทรงยอมรับตามสิ่งที่มีอยู่เช่นพบน้อยพบใหญ่เช่นตดำที่กล่าวว่าสามพเวสีเราเห็นตั้งแต่เดินหยกยกหมากันนี้จึงชื่อว่าเป็นพบเป็นชาติเป็ น, ปนรรสัตว์สืบุตรควรที่จะจริงกวรนี้เราไม่เห็นก็เข้าใจว่าไม่มีทั้งทั้งสี่สิงทั้งหลายแล้วนั้นเปิดเผย อ, อยู่ตามหลักความจริงที่มีอยู่อร้อมตนไม่ได้มี้รับหากก็มี เครื่องรับกันแล้วสามารถจะทราบได้เช่นเดียวอย่างวิทยุหรือโ ท, ทรทัศน์ทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นสิ่งที่สุดที่สายมากทีเดียใครพูดอะไรไม่เชื่อเพราะไม่เห็นไม่รู้แล้วทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเชื่อแล้วอย่างวิทยุโทรทัศน์ว่าเขาสามารถขนาดเขาพูดเขาทำอะไรกันอยู่ที่ไหนแล้วเปิดที่ทำํำไมรากอดนั่นละ่ะถ้าเครื่องมันรับกันมันถึงกันแล้วมันรู้กันได้แล้วปฏิเสธกันไม่ลง นี่เรื่องทำเหมือนกันตามอง์ตามพุทธเจ้าตามท่านตามพฤติปฏิบัติตามท่านตา่างรู้ตา่างเห็นเมื่อต่างคนต่างรู้ต่างเห็นด้วยกันแล้วค้านกันลงคอได้อย่างไรดังที่เราค้านทางวิทยุโทรทัศน์นี้ไม่ได้เช่ดเดียวกันนี่แหละสิงไดถ้าเมื่อเข้าถึงแล้วค้านกันไม่เลยท่านก็เห็นเราก็เห็นท่านก็ได้ยินเราก็ได้ยินเหมือนกันแล้วท่านก็รู้เราก็รู้แบบเดียวกันนี้หาที่ค้านกันได้ ที่ค้านกันก็บอกคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งไม่เห็นนั่นคนหนึ่งรู้คนหนึ่งไม่รู้ถ้าต่างคนสองรู้จะอย่างเดียวกันแล้วก็ไปปัญหาอะไรเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าจึ้งจงสอนแบบเดียวกันเราพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามมาตรัสรู้ในโลกนี้สอนแบบเดียวกันหมดเพราะเห็นอะไรเพราะรู้เห็นแบบเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดจะเป็นศาสดราองค์แบบแนวมาสอนคิดแปลกประหลาดหรือลบล้างนระกไปหมด ตีนรกให้แตกหมดไม่มีนรกก็มีสวรรค์ก็มีตีแตกไปหมดลบล้างไปหมดเป็นศาสดาแบบแนวอย่างนั้นไม่เคยมีองค์ใดมาสอนก็บอกว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเพราะสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่มาลบล้างได้อย่างไริจารณาให้เห็นตามสิ่งที่มีอยู่นั้นที่จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริง รู้ปรอมเห็นปลอมรู้ดน้นรู้ดาวเที่ยวโลกนั้นเที่ยวล้างนี้สุดท้าก็ไปโดนสิ่งที่ว่าไม่มีนั่นแหละเป็นกองทุกข์ก็เป็นอยู่กับคนกระหมาอไม่ใช่เป็นพุกอยู่กับคนผูกไม่ประหมาอเกิเดอยู่กับคนโง่นั่นแหละกองทุกข์ยกตัวอย่างแค่นคนตาบอดเดินไปตามทางเหยียบนั้นชนนี้คนตาดีเขาไปเหยียบทำไม เขาไม่เหยียบเขาไม่ชนเขาไม่โดนเพราะเขาเห็นเขาหลีกออกแล้วสุดท้ายใครจะเป็นคนเจ็บใครเป็นคนทุกข์มากกว่ากันระหว่างคนตาบอดกับคนพอดีก็คนตาบอ ด, น, บอ ด, น, บอดนั่นแหละเป็นผู้อาบตั้งแต่กองทุกทางหัวก็หาบทางเท้าก็อาบทํำไมยังว่าทางตัว ก, ก็โดนหัวก็โดนได้โดนต้นไม้โดนอะไรโดนได้ทั้งนั้นเท้าก็เหยียบฝาเหยียบน้ำตกหลุมตกบ่อดได้ร่างกายก็กระทบกระเทือนต่อจีนั่ โดนสิงตางให้เจ็บให้ปวดแสบร้อนได้เป็นเดียวกันเมื่อไม่ถึงเดินไปเข้าใจว่าสิ่งนั่นไม่มีสิ่งที่ตนเข้าใจว่าไม่มีนั่นแหละมันเป็นภัยต่อตนเองภาคความประมาทของตนนี่ก็เหมือนกันถ้ามันนรกไม่มีบาปไม่มีนี่ก็คือความรู้ที่มืดบอดแล้วก็ผู้นั้นแหละผู้ที่จะเป็นกองรับเหมา น, นรกและบาปทั้งมวลจะไม่มีผู้อื่นผู้ใดไปรับแทนได้เลย ด้วยเหตุนี้เราเป็นลูกศิษย์ของทายาทกตริจึงจำยอมศาสนาว่าเป็นครูเป็นผู้ฉลาดเหนือเาัาเราจึงยอมกราบไหว้บูชาแล้วประพฤติปฏิบัติท่านตามท่านตลอดมาดังชาวพุทธทั้งหลายท่องเราที่ประพฤติปฏิบัตินําให้ความเชื่อความนับถต่อท่านอยู่ด้วยมานี้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสิ่งใดที่พระองค์ทรงสอนไม่แล้ว ให้พยายามระมัดระวังในสิ่งที่เป็นใครและพยายามพุสาบำเท็ญในสิ่งที่เป็นคุณและจะเกิดผลประโยชน์ขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายนี่ดกล่าวคือเรื่องศาสน า, าพูดว่าหนึ่งไม่มีสองก็คือองศาสนาม ร, รับสอนธรรมะไว้แบบเดียวกันท่านยน่นย่อเข้ามาในโววาปฏิโมว่าสาบปาปต ะ, ะอาการาัง การไม่ทําบาต ท, ทั้งปวงหนึ่งะจะสู้กระส้นกระถางกระดาษการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตรประโยชน์ปนญังการยังกิจทากิจทองตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนั่นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านว่าไว้อย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดจะตรัส ทำนอกเหนือหรือก้าวไายกันหรือเพราะความรู้ความเห็นในจริงต่างๆไม่มีอะไรก้าวไกลไม่มีอะไรแปรกับเป็นของที่มีอยู่แล้วดั่งหนึ่งเห็นก็เห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันสิ่งที่เป็นพิษเป็นไัยก็เป็นพิษเป็นภัยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นขุนก็เห็นว่าเป็นขุนยอมรับตามความจริงสอนธรรมสอนตามหลักความจริงไม่ได้สอนให้ตีนความจิงฝืนความจริงไปจึงเรียกว่าธรรม เราผู้ฤติปฏิบัติทำก็พยายามไตรตรองด้วยสติปัญญาให้เห็นตามหลักความจริงเช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นความจริงประจําธาตุประจําขังก็พิจารณาให้รู้เท่าทันกับจิ่งเหล่านี้จิตใจจะไม่หว่ามวุ่นขุ่นมัวคว้านนควานี้ใจจะมีหลักธรรมเป็นที่ยึดแล้วไม่เดือดร้อนวุ่นวายถึงเวลาร่างกายกวิกลมีการก็ท่าตามความจรินท้องหมัก เวลาปลกติก็ท่าตามความพินของมันถึงเวลาจะล้มจะตายก็ท่าตามความพินของมันจิตใจไม่หวั่นไหวเพราะมีหลักยืดดีที่พึ่งมีธรร ม, มเป็นเครื่องอยู่ถ้าจิตไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ล้าศัยร่างกายเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราอยู่แล้วพอร่างกายวิการชนิดหนึ่งก็เท่ากับว่าเราวิการมแต่ละพอร่างกายเจ็บเราก็เจ็บด้วยร่างกายตายเราก็ชิบหายผลที่ไปด้วยผู้นี้เดือดร้อนมากยิ่งกว่าผู้มีธรรม ผู้พิจารณาโดยำัำผู้พิจารณาโดยทําแล้วย่อมทราบครับทัดในระหว่างร่างกากับไใจแม้อาศัยกันอยู่ก็ไม่ใช่อันเดียวกันแค่เดียวกับตึกราบบ้านต่องหรือบ้านเรือนของเราเราอยู่ในบ้านบ้านตรงนี้ชารดเอาแก้ไขกันไปยโรงนั้นรัว่วแก้ไขครอบแต้มกันไปเมื่อมันสุดวิสัยฮา ท, ที่อยู่ไม่ได้แล้วหา ท, ที่หลบชอบไม่ได้แล้วก็อ อ, อกหนีจากบ้านนั้นเสียลอย้มันล้มละลายลงไปตามสภาพของมัน อู่บ้านสร้างเรือนใหม่หลังใหม่อยู่มีร่างกายเมื่อชันวัตสุดโทลงไปเราแก้ไขดัดแปลงด้วยยุบด้วยยาบารุงรักษามันไปโดยลาดับอันดับเมื่อทนไม่ไหวแก้มาได้แล้วก็ปล่อยลุกตามสภาพเดิมของเขาคือดิมน้ําลงไปส่วนใจก็มีทําเป็นเครื่องหยุดอยู่ผ้าสุขสบาเป็นสุขาโตคนมีธรรมย่อมเป็นสุขโตคนมีบุญย่อมเป็นสุขาโตผู้จะมีบุญก็คือคนขลาดจ้างประคุณเจ้าตัดสอนไปแล้วนั้น สวัรบปัสสาอักระนะบาปนั่นคือฟืนคือไฟไม่ได้คุ้นกับผู้หนึ่งผู้ใดเช่นเดียวกับฝัดแต่เข้าไปตรงไหนร้อนที่ตรงนั้นอย่าคุ้นอย่าชนิดอย่าฝืนเพระคุณจะสอนอุปมาเหมือนอย่างนั้นคุณจะสู้ไปสัมงปดาคนจะหลุดพ้นไปจากความทุกขมทรมาณทั้งวงได้เพราะความเียวฉลาดปลดเสื่อนตอนเองลบมีปดตัวได้ ไสกิตตปบริยวดปันนังความมืดบอดของจิตนั่นแลคือกองทุกข์ทั้งมวลเหมากัลงที่จิตหมดเหมือนกับคำแห่งทชคอยู่ที่ใจโจงแก้สิ่งเหล่านั้นช้ำละสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผามาอยู่ภายในจิตใจเลยตลอดนั่นหลักธรรมากอัตติตโนราโถขนของการพึ่งตัวเองโดยอั ด, ด, ดยทําแล้วเป็นอิสรอิสระขึ้นมาภายในจิตใจอยู่หนสามบาต ตายก็หายห่วงไม่ต้องมาห่วงมาห่วงดินน้ํำลงไปที่ว่าเป็นเราเป็นของเราทำต่างหากเป็นของเราความเบื้องตต่างหากเป็นของเราแต่ไม่ยึดเรานี่คือวความสุขธรรมะความสุขโลกต้องการเสมอามาไม่ว่าสตร์ว่าบุคคลธรรมะสุขไม่เคยล้าสมัยเป็น สิ่งที่สัตว์โลกต้องการด้วยมาเราเป็นลูกกิจตถาคตเป็นชาวุูตพยายามตอบแทนหมาคอม ด, ด้วยสีด้วยขังยาปล่อยตัวอยาปล่อยให้กิเลสถูกลากไปโดยลําดับลําดาบไม่มีการต่อต้านไม่มีการต้านทานไม่มีการขัดขื น, นกิเลสตั้งเลยก็หาผลประโยชน์อันดี้ได้ความต้องหลังอยู่ที่การ พยายามเห็นว่าจริงใดเป็นของดีก็พยายามดําเลยพยายามบาเพ็ญทุกก็เอาเบาก็สื่อพระพุทธเจ้าต่อเคยเป็นทุกมาแล้วเพราะการทําความดีสาวกอรัสสัตวลหันพุทธบริษัททั้งหลายในท่านพุทธการท่านก็ทุกในการประ ก, กอบคุณ ง, งามความดีทั้งหลายแต่ท่านก็ผนด้วยเหตุด้วยผลเพราะเชื่อ เราก็เป็นลูกชาวพุทธกรรมที่ทานทั้งหลายมาจากที่ต่างๆไม่ว่าใกล้ว่าไกลสละดตั้งรัสมบัตรเงินองเรื่องเรื่อเวลาหน้าที่การงานตลอดชีวิตจิตใจเมื่อถึงตายแล้วก็สลัดได้และอุตส่าห์มาถึงสถานที่นี้เพื่อความเป็นพิธีงานพรมีกูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และกูชาคุณของตูบาจาย์ดังที่เราทั้งหลายมาฉลองทมสําเร็จน้ําใจของเราที่รวมกันแล้วได้สําเร็จแล้วใดบันทึก วันพรุ่งนี้ก็เป็นการแฉลองแฉลองความสำเร็จน้ําใจของเราได้สําเร็จด้วยรุ่นพันเดีดดดยาาท่านต่างได้มีความปีติกินดีกับทุนงานความดีทั้งหลายที่เราได้สร้างไว้แล้วนี้และในอวาาตานแร่งการสแสดงทมนี้ขอบุญญานุกภาพประมาณุภาพ ท, ทั้งอนุภาพลงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้เพื่อบอบหน้าที่การงานเพื่อความสุขสวัสดี ร่าบรื่นดีงามตลอดถึงร่างกายอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บและให้